ก็ข อ, อนอบน้อมต่อพระรัตนตัยขอกราบถวายความเคารพหลวงพ่อมหาผู้เป็นประธาน<ม>ก็ขอโอกา ส, าสาคณะสงฆคณะครูบาอาจารย์และพิจุกกุกทุกรูปก็ขอเจริญในศีลใ น, นธรรมยัดนักปฏิบตัติทุกท่านนะก็นั่งยุกมือสร้างจังหวะไปด้วยก็ได้เนาะ ฟังแบบสบายๆแล้วก็ทําความรู้สึกตัวไปด้วยฝักพื้นมีน้เสียงจะได้เขาไหนะ <Okay. S 2> ได้อั น, น <c oughs> อาวเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่สองหรือวันที่สามคนที่มาก่อนนะบางคนก็มาวันที่สามสิบนะวันที่สามสิบตอนเย็นมาก่อน ก็ได้กำไรเนาะไก่มาก่อนก็ถือว่าอ่าวันนี้นะวันนี้ก็คงจะพร้อมทั้งหมดแล้วล่ะเนาะวันที่สองคงจะอ่ามากันหมดแล้วล่ะเนาะคงจะมีแค่นี้แต่ก็หน้าภาคภูมิใจนะอันนี้เป็นเป็นงานแรกนะเป็นงานแรกแล้วก็ปีแรกปีแรกที่ได้ จัดในสายงานในสายงานของหลวงพอ่อเทียนเพราะว่าสิบก็เข้าสิบเอ็ดปีตรงนี้ที่ที่ได้เข้ามาอยู่ตรงนี้หลวงพอ่อมาหาท่านอาได้มาอาพามาอยู่อตรงนี้อาตมาก็เป็นคนดูแลแทนท่านก็ช่วงระยะที่ได้เข้ามาอยู่นี่ก็ สถานที่ก็ไม่ไม่เป็นแบบนี้นะเราก็ต้องม า, าพัฒนาต้องมาเรียกว่ามาฟื้นฟูอีกเยอะนะกว่าจะได้มาอยู่ในระดับนี้ต้นไม้ไม่ว่าน้ำไม่ไม่ว่าต้นไม้นะไม่ว่าที่อยู่อาศัยก็หลายอย่างนะล้วนแล้วแต่เราต้องมาพัฒนาต้องมาปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดนะ แม้แต่สถานที่ที่เรานั่งที่ตรงนี้ก็ไม่เป็นที่เสมอแบบนี้นะเป็นที่อาเป็นต้องมาปรับใหม่นะปรับใหม่ทำใหม่ต้นไม้ก็มาปลูกใหม่นะจนกระทั่งทุกวันนี้ก็คิดว่าสถานที่ตรงนี้ก็คงจะเป็นที่รองรับของญาติโยมแล้วก็ของครูบาอาจารย์ที่จะเข้ามาพัก ได้เข้ามาเก็บอารมณ์เพราะว่ามันสถานที่ตรงนี้ก็อยู่ไกลกับหมู่บ้านประมาณแปดกิโลนะแปดกิโลก็คงจะเป็นสปายะที่สงบสงดัดเพราะว่าไม่มีชาวบ้านนะไม่มีบ้านเข้ามาอยู่นะวะ่าเพราะว่าไม่มีไฟฟ้านะของเรานี่มีไฟไฟฟ้าแต่ก็เป็นไฟปั่น โดยมากกัตมาก็ไม่ค่อยได้ใช้นะไฟไฟไฟปัน่นเพราะว่าค่าน้ํามันนะค่าน้ํามันมันมันไม่เรียกว่าค่าน้ํามันเนี่ยมันก็ใช้ใช้เยอะนะแต่ละแต่ละวันแต่ละคืนทำวัดชาวัดเย็นเพราะว่าเป็นเครื่องเครื่องรถนะเครื่องรถยนต์อเราใช้ไฟปัน่นพอมาทีหลังเราก็มาพัฒนาเป็นอ่าไฟ สงอาทิตย์ตัรเซลนะก็ช่วงแรกก็มีแค่แผงเล็กๆนะแผงเล็กๆเอาวันไหนวันไหนมีดดแดดเราก็ได้ใช้ไฟวันไหนไม่มีดดแดดเราก็ใช้เทียนนะแต่ก่อนก็อาต้องอาถึงหลวงพ่อท่านเข้ามาท่านถึงเลยมาตั้งชื่อใหม่นะแต่ก่อนที่ตรงนี้เป็นใน อเป็นเป็นวัดที่สร้างมาก่อนแล้วอเป็นวัดที่วัดของอธรรมยุทธท่านได้มาสร้างก่อนแต่ก็สร้างแล้วก็ไม่มีใครอยู่ะไม่มีใครอยู่ก็ปล่อยให้ก็ปล่อยทิ้งช่วงที่ปีที่มาปีแรกก็มีหลวงหลวงพ่อแก่ๆหนึ่งท่านได้มาอาศัยอยู่หลวงพ่อคมมาอ่าช่วงนั้นท่านก็ไม่ได้มาทําอะไรไม่ได้มาพัฒนาอะไรท่านก็ คิดว่ามาอยู่อาศัยเฉยๆอยู่อาศัยอยู่อยู่เฉยๆท่านก็ไม่ได้พัฒนาไม่ได้ทําอะไรอช่วงปีแรกที่เข้ามาก็วัดตรงนี้ก็เป็นเป็นเป็นชื่อของวัดถ้ำพระถ้ำเป็นถ้ำพระถ้มชีนะถ้าตรงนี้นะเป็นถ้ำพระถ้มชีเริ่มแรกเลยก็เขียนติดป้ายไว้ก่อนจะเข้าปากทางถ้ำพระถ้มชีนะถ้ำพระถ้ำชีแล้วก็ วัดป่าหนองใหญ่เขียนไว้พอช่วงที่เข้ามานะเข้ามาหลวงพ่อท่านก็ได้พอมาช่วงมาอยู่จำนาสาปปีแรกได้มาช่วยกันนะบุกเบิกมาช่วยกัน อ, า, อาทาสถานที่ปฏิบัติท่านก็ได้มาเปลี่ยนชื่อชื่อเสมัยใหม่ให้สมกับบรรยากาศนะที่เรามาอยู่นะใช้เทียนกัน นะก็เป็นวัดถ้าแสงเทียนก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยเป็นถ้าแสงเทียนมานะก็เลยเปลี่ยนจากถ้ำพระถ้าชีมาเป็นถ้าแสงเทียนนะประวัติไปมานะก็คือหลวงพ่อมาหาเป็นคนตั้งนะเป็นผู้ตั้งก็เลยรู้กันทั่วใครพอพอไอชื่อวัดถ้าแสงเทียนเขาก็รู้กันเดีย๋ยวนี้เพราะว่าเป็นสิบปีแล้วที่เราตั้งมานะแต่ก่อนก็รู้แต่วัด รู้แต่ทั้มพระทั้มชีอ่ใครจะไปทำไมไปทั้มพระทั้มชีเพราะว่าทั้มข้างบนนี้เป็นมีทั้มพระแต่เรายังไม่เคยขึ้นไปหรอกเนาะประมาณเจ็ดร้อยเมตรนะตรงนี้นะจากจากตรงที่เรานั่งเจ็ดร้อยเมตรอ่าเจ็ดร้อยเมตรถึงแปดร้อยเมตรนะมีทั้มหลายทั้มมีทั้มพระทั้มชีทั้มเม้นนะที่ที่ที่อยู่หน้าที่เรามองเห็นนี้นะก็เป็นเป็นทั้แต่ก่อนอแต่ก่อน ที่เราเข้ามาอยู่เนี่ยอ่าบางบาบงปีท่านก็นพาเข้าเก็บอารมณ์ะเดือนหนึง่งเก็บอยู่ที่นี่แหลนะเก็บอารมณ์ก็มีพระเจ้าพระสงค์มีญาติโยมเข้ามาพูดปฏิบัติกันนะมาเก็บอารมณ์กันแล้วก็ขาพากันขึ้นไปเก็บอารมณ์นู่นแหละถ้ำนู่นนแหละก็มีนะก็ ม, นะมีแม่ครัวก็คือเ น, นี้ยแม่วัวนั่นแหละช่วงนั้นมีแม่อรัวมีแม่ชีหลายแม่ชีนะขึ้นไปเก็บอารมณ์กันเป็นสิบวันสิบห้าวันนะ ช่องแรกๆนะที่ได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติกันก็ไม่คิดว่าจะได้าเป็นแบบนี้นะก็คิดว่าจะไม่ได้อยู่หลายปีนะแต่พออยู่อยู่ไปนะเราก็เรียกว่ามันมีปัญหาทุกอย่างปัญหาไม่ว่าเรื่องการบินธบัติการบินธบาติก็มีปัญหาการอยู่ก็มีปัญหา ปัญหากับพระปัญหากับป่าไม้ปัญหากับญาติโยมหลายเรื่องหลายราวนะปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่เราก็อยู่แบบไม่มีปัญหาเขามีปัญหาเราไม่มีปัญหานะ <laughs> อยู่แบบไม่มีปัญหาใครจะว่ายังไงก็ช่างใครจะไปยังไงมายังไงก็ช่างนะเราก็ทําหน้าที่ของเราไปนะเราก็ทําหน้าที่ของเราก็ไปแล้วทําอะไรก็เดินจงกรมสร้างจังหวะนี่แหละนะถึงอยู่ได้นะถ้าเรา อไม่ทําแบบนี้เราก็อยู่ได้ยากนะถ้าเราไปอเขาว่ามาแล้วก็ว่าไปเขาอะไรต่ออะไรนะนะเราไม่สนใจเรื่องนั้นเราสนใจคือเรื่องที่เรามาอาใัยเข้ามาอยู่เข้ามาปฏิบัติเฉยๆเราไม่ได้มาเอาอะไรนะที่นี่จริงๆแล้วไม่ได้มาเอาอะไรเรามาอยู่เพื่ออาศัยนะเพื่ออาศัยทําทความเพียรแล้วก็เข้ามา อยู่เป็นสถานที่เห็นว่าเป็นสถานที่ห่างไกลจากหมู่บ้านแล้วก็สงบสงัดเพื่อทำความเพียร น, นะมาอยู่ที่นี่อ่านะเริ่มแรกนะก็เมื่อปีสี่ีหกนะสีหกลวงพ่อมหาท่านก็ได้พามามาดูก่อนของปีปีปีสี่หกจะไม่ได้เข้ามาอยู่อ่านะปี4ีหกปี4ี่ห้าอยู่หนองพักหลอดนะปี4ี่ห้าอยู่หนองพกหลอดปีสี่หก ก, ก็ยังอยู่หนองพพกรอนอยู่นะปี4ป4 6, คีครึ่งๆึนั่นแหละนะครึ่งครึ่งปีนั่นแหละเราออกพรรษาแล้วก็ได้เข้ามามาที่นี่ต่อกับปี47เจนะก็เป็นเวลาสิบปีนะสิบปีนะที่นี่ก็ในเรื่องของสถานที่เนาะก็พูดกันไปแล้วครั้งที่แล้วก็ได้ฟังกันไปในวันแรกก็พูดให้ฟังว่าปัญหาอะไรต่างๆก็มีเยอะแยะนะ ช่วงนั้นนะก็ถ้าไม่มีปัญหานะปัญญาก็ไม่เกิดนะอาตมาคิดว่าปัญหาเนี่ยปัญหายิ่งมีปัญหาเนี่ยเราไม่หนีปัญหานะเราโดยโดยมากอาตมาจะไม่หนีปัญหาหรอกในเรื่องของปัญหาเนี่ยอาตมาคิดอยู่เสมอว่าถ้าไม่มีปัญหาเราจะอยู่แบบยังไงอะถ้ามันไม่มีอะไรที่เข้ามาให้เรา ต่อสู้ไม่มีอะไรให้มากระทบกระแทกเราเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าจิตใจของเราเนี่ยเราอยู่ในป่าเนี่ยเราอยู่ในป่าเราอยู่ในเขาเนี่ยถ้าเราไม่มีสิ่งอะไรที่มากระทบกระแทกจิตใจของเราเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจิตใจของเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรมันจะอยู่ที่ไหมมันจะคงที่ไหมมันจะเป็นปกติไหมเนี่ยนี่เราก็เราก็มีสิ่งที่มาสอบเรานะหลายๆลายอย่างบางทีนอนอยู่ นอนอยู่ดึกๆเขาเขามาจอดรถเตียงกึ่งกลางกึงกงเฮ้ยวัดตรงนี้แหละเราสร้างนะอ่ะไรตัวอะไรเขาเขามาวุ้กว้ไวๆนะทีหนึ่งทีสองทีสามนะอตอนแรกๆนะอาจจะมามาอยู่เนี่ยแต่มาพอได้ยินเสียงรถเนี่ยแตมาจะขึ้นเขาเลยนะ <c oughs> <c oughs> กลัวนะกลัวมันจะมาโอ้ย ม, มันมันหลายเรื่องนะหลายเรื่องหลายราวแล้วมันไม่ใช่เป็นแบบนี้นะทานผู้ชมมันเป็นมีสาราอยู่หลังเดียวอะ มันไม่ได้สว่างไม่ได้แจ้งแบบนี้เป็นเป็นป่าลกรุงลังไปหมดป่าก็ไม่ใช่ป่าธรรมดานะี่ยเป็นป่าตําแยป่าหมามุย่ย <laughs> แต่ก่อนเนี่ยถ้าถ้าญาโยมนะเข้ามานะถ้าคนเข้ามาเนี่ยตากผ้าไว้เนี่ยตอนเย็นมาเนี่ยเอาไปใส่นะนอนไม่ได้เลยนะพอลมพัดเนี่ยตําแยมันแก่นะหมามุ่ยมันแก่นะพอพัดขนมันรนะ่นนะโอ้ยคันนะสมามาอยู่ก็อยู่แบบคันคันนะ่นะเนี <laughs> ่ย ก็อยู่ไปนะทําไงได้นะคนอาตมาชอบแบบนี้ชอบชอบสถานที่แบบนี้ชอบอยู่แบบนี้ก็เลยอยู่นะอยู่ไปอยู่มาก็เลยอาช่วงปีปีแรกเนี่ยที่หลวงพ่อมาจำพรรษาอยู่ด้วยก็มีเด็กนะก็อาศัยเด็กนะั่นแหละเด็กบ้านหนองใหญ่บ้านนนศิลาเข้ามารุยป่าตําแยนนะแล้วก็มีโยมคนหนึ่งนะมีโยมคนนึ่งนะก็เข้ามาช่วยนะมาช่วย ป่าตําแย่แล้วก็เป็นปา่ปาโลกป่าล้างแถมที่เรานั่งนี่ก็มันไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่ไม่มีต้นไม้ไม่มิไม่เป็นที่เสมอนะก็เป็นเป็นปลาอ่าเขาเรียกว่าป่าพืชล้มลุกอะ่ะพอถึงปีไฟก็เข้าไมหม้โมดเตียนลุ่งไปหมดเลยพอถึงอนาผลก็ลกไปหมดเลยหญ้าไม่ใช่ว่าหญ้ามันเป็นหญ้านะมันไม่ไม่ใช่ต้นไม้ต้นไม้นี้ขึ้นไม่ได้เลยนะ โยมต้นต้นไม้เนี่ยขึ้นไม่ได้พอขึ้นต้นไม้ขึ้นได้มาเป็นคืบเป็นศอกเนี่ยพอช่วงถึงปีเนี่ยต้นไม้พอจะโตพอญ้าคาพวกญ้าคาญ้าอะไรมันพอมันแก่พอมันแก่มันมันมันมันแก่ ม, ม, ม, ม, แกมันลม้มแล้วไหมเขาจุดไฟมันก็ไม่ต้นไม้ตายหมดแต่เรามาอยู่ที่นี่ก็บอกญาติ ย, ยงแล้วว่าพอควันขึ้นตรงไหนเนี่ยไม่ได้นอนหรอกนะหลวงพ่อบอกไปดับไฟโน่นนะขึ้นเขาขึ้นโอ้ดับไฟกันทุกปีนะ ไปดับไฟเห็นควันไฟอยู่ตรงไหนนี่เกียมตัวได้เลยนะไปเลยไม่ว่าไกลใกล้ขนาดไหนก็ไปดักไฟนูนะ่นนะะท่านมาพา่าผาดับไฟนะอาตมาพอท่านไม่อยู่ท่านไปอ่าต่างประเทศอาตมาก็ดูแลก็อาตมาก็เหมือนกันนะอาตมาก็เอาแบบอย่างท่านเหมือนกันนะไฟรู้ว่าช่วงเดือนเดือนสี่เดือนห้า น, นะช่วงแล้งนี่นะ พอแรงหนาวเนี่ยพอหนาวหมดเนี่ยพอใบไม้ใบอะไรร่วงใบไผ่ร่วงเนี่ยเขาก็จะเริ่มจุดป่านะเริ่มจุดป่าพอก็จุดป่าเราก็จะไปกันแนวไว้นะถ้าเราไม่ไปกันแนวไว้เราจะเอาไฟไม่ไหวนะเพราะว่าไฟไปหน้าหน้าหนาวหน้าหนาวเนี่ยตอนกลางวันมันร้อนใช่ไหมโอ้โหแล้วก็ลมคนนี้เอาไม่ไหวก็ไปหลับกันทุกปีนะแต่มาช่วงหลังเนี่ยเพื่อสองสามปีที่แล้วมาเนี่ย เราไม่ค่อยได้ดับเพราะว่าต้นไม้มันโตพอต้นไม้ตัวพุบหญ้ามันก็มีขึ้นใช่ไหมหญ้าพื้นล่างล่า ง, ล, างล่างก็มีขึ้นมันมีตะใบไผ่ใบไผ่ไเราก็ไปกันได้ง่ายนี่เราก็มารักษาป่านะรักษาป่าถ้าเราม า, มารักษาป่าถ้าเราไม่รักษาไฟเราก็ไม่มีป่าให้รักษาใช่ไหมจะมาก็มามาทําแบบนั้นแล้วเราไม่ได้มาอยู่เฉย เ, เราก็มาปลูกต้นไม้ต้นไม้ทุกต้นนะที่ที่ที่อยู่ตรงนี้ก็เป็นแม่มะค่าไม้สักไม้ อะไรที่เราเห็นพอได้อีกร่มได้งเงาเนี่ยก็ามาปลูกแต่ว่าป่าลำไยเนี่ยเรามารักษาเอากับป่ามะขามอจ ะ, ะว่าเป็นเป็นวัดเศรษฐกิจไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้ปลูกต้นไม้ขายปลูกสวนปลูกอะไรไม่ใช่เรามารักษาเอาช่วงช่วงแรกต้นมองไม่เห็นหรอกเถาถาวัลพวกเถาวัลพวกอะไรมันคุมหมดมันคุมต้นไม้เล็กๆเป็นต้นลำไยต้นลำไยต้นลำไยต้นเนี้ยที่ที่ทีทท่เหลือให้เราเห็น ก็มารักษาเอาแล้วก็มาปลูกแซมมานะมาปลูกซ่อมแซมที่มันห่างๆแล้วก็มาปลูกเอานะก็ถือว่าเรารักษาเอาไว้ร่มแต่ผลของมันคืออะไรคือผลลําไยนี่ออกมานี่กิ่งหักเลยะปีที่แล้วนี่โอ้โหเยอะมากลําไยเนี่ยกินไม่หวัดไม่ไหวเลยนะทําทไปทาํามาพระเห็นแล้วกินไม่ลงลาไยต้องแจกชาวบ้านเอาใครอยากได้มาเอามาเอามาเอา นะใครมาไม่ได้ขายนะไม่ไม่ได้ขายเลยอ่าให้ชาบ้านบ้างคนที่มาปฏิบัติธรรมก็อ้าวก่อนกลับบ้านนะคนละถุงละถุงละถุงไปเลยนะถุงไม่ใช่ถุงธรรมดาถุงปุ๋ยนะเดีย๋ยวบอกใส่นะไปทางมะขามมะม่วงมะาขามเนี่ยโยมลงคิดดูนะมะป่ามะขามหวานเนี่ยอันนั้นก็ไม่ได้ปลูกนะตอนที่เข า, เลาไล่เราออกเนี่ยไล่เรารื้อกุดกุฏินะป่าไม้ไล่เราออกข้างบนนะ ได่ออกช่วงหลวงพ่อไม่อยู่ปีนั้นเขาไล่เราเราออกขอให้หลือกุดมาเลยอาตมาทำกุดกุดตียาคาประมาณยี่สิบยี่สิบเจ็ดหลังอาตมามาอยู่นะพระเนี่ยจันพันตาเบนจนนี้เข้ามาช่วยจนลากไม้เหมือนวัวมันควายในะลงเขาช่วงนั้นมันขยันไม่ไม่รู้มันมันขยันยังไงนะมันพอมาเห็นป่ามาเห็นพอเราทำกุดตนะกุดตียาคาเขาไม่เห็นเขาเขาว่าล้าไก่กัน เป็นเล้าไก่เ อ, อมันมีผ้าเขียวล้อมนะแล้วก็กุดยาคาเขาเขาเข้ามาคนคนข้างนอกเข้ามาเขาบอกวัดนี้เลี้ยงไก่ขายอาจจะมาเออเขาว่าเลี้ยงไก่ขายนะมีผ้าเขียวล้อมแล้วก็เป็นที่เดินจงกรมอะเหมือนเนี้ยแล้วก็ทําที่มีที่เดินจงกรมแล้วก็มีที่นอนแล้วก็มีที่เดินจงกรมข้างในกันยุงเพราะว่าแต่ก่อนยุงมันจะเยอะมาก ยุงยุงเราจะมานั่งทําวัดตอนยินเนี่ยโอ้โ ห, โ, หโหยนั่งนี่อยู่ไม่ได้เลยนะยุงเยอะเสียงยุงเนี่ยเหมือนเสียงดนตีเลยล่ะบึงวังบึงวังมึงวังโอ้โ ห, โหยเยอะจริงๆเข้ามาอยู่ปีสองปีแรกถามหลวงพ่อดู <c oughs> นั่งทําวัดกันอยู่นะก็เลยต้องวิธีก็คือต้องใช้มงกุฎเขียวล้อมล้อมกุฏิกุฏินะล้อมกุฏิ เพราะว่าผ้าเขียวเนี่ยที่ที่เราเป็นผ้าเขียวผ้ามุ้งเนี่ยมันจะกันได้เนี่ยเหมือนที่เราใส่ถังขยะนี่ยเขียวเขียวเนี่เอามาล้อมเป็นที่เดินจุงกลมนะเดินจุงกลมแล้วก็เป็นที่พักที่อาศัยนะช่วงแรกก็เป็นแบบนั้นที่ทํามาก็พอมาช่วงอ่ะสองปีที่สองปีที่สามเนี่ยปีที่สี่เนาะปีที่สี่นี่แหละก็มันมีเรื่องก็อ่าป่าไม้เขาว่าเรามาบุกเบิกมา อ่าอะไรแย่ๆหมดหมดเขาใส่ความค้อหาเราเนาะเขาจะเอาเราเข้าคุกกันนะช่วงนั้นนะอ่าเข้ามาเข้ามาเขาบอกว่าอาจารย์เขาเขาขึ้นเครื่องเขาเขาบอกว่าเขาตำรวจทางเครื่องบินเน่ะเขาบอกว่าเป็นรีสอร์ตเลยแต่เขาเห็นหลังคาเขายังไม่เห็นไม่ได้เห็นผ้าเขียวก็เห็นแต่หลังคาหลังหลังคานี่ก็เป็นหลังคายญาคานี่ยแหละแต่มันเป็นแท่วน่ะลง ช่วงหลวงพ่อมาหาจะไปท่านก็ทําทางไว้เราก็ทํากุติตามทางเลยเนแถวรอบที่เราเดทางที่เราเดินอ่ะนะเป็นแถวแล้วก็บนช่วงบนเขาเราก็ทําทําไว้นะเขาบอกว่าเป็นรีสอร์ทนะเป็นรีสอร์ทเขาก็มีเรื่องนั่นอะไรมาเขาเข้ามาขอหาว่าเราบุกเบิกแล้วก็มาทําอะไรต่ออะไรบุกเบิกปา่า โค่นป่าทางป่าอะไรก็มีรู้นะแล้วแต่เขาจะว่าไปนั่นพอนั่นไปนั่นมาแล้วจะทำอะไรก็จะคอยมาจับเราตลอดเวลาคอยคอยจ้องว่าเราจะทำอะไรตอนไหนพอพอเราสร้างกุดตีขึ้นหลังนึงอนะ่ะมีไม้แค่ต้นเดียวเนี่ยเขาก็ไปเจี้ยงป่าไม้ป่าไม้ก็มามาหาเราอีกไม้ต้นเดียวนะ่ะชาวบ้านลากไม้กลมตึม ต, ม ต, มตึมนะ แต่ไม้ต้นหนึ่งเนี่ยไม้ต้นหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้ตัดนะชาวบ้านตัดแล้วก็แบกมาเนี่ยมาช่วยเราทําเนี่ยอ่าเพราว่าเราทําลายป่าเนี่ยเอามาไปชี้ดูไม้ต้นต้นเดียวน่ะไม้เท่าขนาดเขียนเนี่ยลองคิดดูดิอ่าแล้วก็โดยมากจะเป็นไม้ไผ่เนี่ยไม้ไผ่แบบเนี้ยที่เราเอามาทําใช่ไหมแต่ว่าชาวบ้านบอกอาจารย์ไอ้ตรงข้างบนมันเนี่ยผมว่าไม้แดงมีนะไม้แดงโคกเนี่ยในไร่นะเดี๋ยวผมตัดให้ มาเห็นไม้แค่ต้นเดียวเนี่ยอยู่บนหลังคาลองคิดดูสิป่าไม้มากันเต็มเลยมากันมาดูที่กุฏิกุฏิพรนั้นไปมาไล่เราลงข้างบนเนี่ยขนาดข้างบนไม่มีไม่มีไม่มีไม้แดงนะเสาก็เป็นเสาไม้ไผ่เสาไม้ผู้ๆเรามาทําก็ก็ไล่ให้เรารื้อลงแต่ก่อนที่จะจะไล่รื้อลงนี่ก็คือให้เราเซ็นก่อนให้เราเซ็นเซ็นว่าให้เราลื้อภายในเจ็ดวัน ให้เรารื้อแล้วเองนะให้ให้เรารื้อเลยให้พระลือ้อแล้วให้แมช่ชีตอนนั้นแม่ชีแม่ชีกรมขายแมช่ชีหน่อยมีมีหลายคนที่อยู่นี่ที่นี่นะที่อยู่นี้ก็ให้เซ็นหมดทุกคนเลยอ่าเซ็นว่าจะต้องลื้อแล้วจะต้องถอนออกภายในจิตวันนะให้เหลือสาลาหลังนี้หลังเดียวกุฏิยี่สิบกว่าหลังเขาก็บอกว่า ถ้าไม่รื้อภายในเจ็ดวันผมจะต้องเชิญไปโรงพักเขาว่านะพอตอนแรกเขาว่าจะเอาไปวันนั้นเนี่ยบอกผมจะเชิญไปโรงพักวันนี้เลยอ่ะเชิญไปก็จะไปคราวนี้ญาติโยมที่มาปฏิบัติก็มนลงชื่อหมดเลยขอสมัครไปด้วยเขาบอกโรงพักไม่มีที่ขัง <laughs> <laughs> ผมให้โอกาสเจ็ดวันเดี๋ยวต้กลับมาใหม่ <laughs> ห <laughs> เอ อ, อ, อนั่นแหละนะ ให้โอกาสเจวันเดี๋ผมมาใหม่ถ้าไม่หรือภายในเวันผมจะมาพาลูกน้องมารื้ออีกนะก็เซ็นกันไปแล้ว ผ, ผู้ใหญ่บ้านก็เซ็นด้วยนะผู้ใหญ่บ้านก็เซ็นให้ก็เซ็นหมดเลยแหละอาตมาเอา้าจะทำยังไงก็ทําอาตมาบอกโทรไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกหลวงพ่อบอกเขาจะรื้อก็ให้เขารื้อเองเราไม่ต้องไปรื้ออืออาตมาอือใช่เว้ย เราจะไปรื้อทําไมนะไม่ใช่ของเราใช่ไหมเออหลวงพ่อก็ให้กําลังใจมาเขาจะรื้อให้เขาลื้อไปเราไม่ต้องไปทําอะไรหรอกเออตอนแรกอาตมาก็บอกจะไปรื้อให้เขาแหละนะเพราหลวงพ่อบอกเออเราจะไปรื้อทําไมเพราะว่ามันไม่ใช่ของเราของญาติโยมที่เขามาสร้างใช่ไหมปัจจัยของญาติโยมมันไม่ใช่ของเราหน่เราแค่มาผู้มาอาศัยเออเราก็มีกําลังใจเออช่างมันอยากรื้อก็รื้อไปเขาอยากรื้อก็รื้อเราไม่ต้องไปรื้อก็ชาวบ้านอะไรก็เข้ามากันเต้วันที่เขาจะมารื้อนะวันที่เจ็ด ทั้งเด็กเด็กที่บ้านหนองใหญ่บ้านนนศิลาเข้ามาเด็กยี่สิบสามสิบคนจันพันก็พาปฏิบัติอยู่เนี่ยเบด<า>เขาก็มาลุ่มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มโอ้รถไม่ ร, รู้กี่คันเลยมามากถึงก็ไม่ฟังเสียงแล้วขึ้นไปก็หรือปงเป้งปงเป้ ง, ป ง, ป ง, ปงทุบเนี่ยเห็นไหมกุติหลังเนะี่ทุบจนห้องน้องห้อ ง, องน้ําทุบยังไม่พอนะฟันเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนน่ะยาขาพวกอะไรแบบไม่เหลือชิ้นดีเลยนะผมเาทีเออ อ <là> แต่มาก็มันสนใจก็พากันปฏิบัติเอยากทาอะไรก็ทํากันไปนะก็ไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นอะไรเขาก็อยากทําเขาบอกพอรือได้สามหลังเออรือได้หลังที่สามก็มีโยมปูนะน้องหลองพ่อทนายความช่วงนั Fort, ้นโยมปูก็เ่าก็บอกโยมปูว่าโอยโยมปูเขาลื้หมดแล้วนะ เฮ้มันเลือกันไะด้ยังไงนาะยยมปูตอนยังมีชีวิตเขาก็มีบุญคุณแก่วัดเรานะนะทํามีบุญคุณกับวัดเรายมปูก็เลยของพ่อก็เลยเขาบอกผมมีเพื่อนเป็นอารัฐมนตีนะเ อ, อยมปูก็ไปเลยโทรไปถึงนู่นเรื่องถึงกระทรวงเรื่องพอร่วงเรื่องถึ ง, ถงกระทรวงปุ๊บตั้งยุติมาเลย สั่งสั่งมาเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดมามาถึงผู้ว่ามาถึงผู้ว่ามาถึงป่าไม้เขตป่าไม้จังหวัดฟังให้หยุดก่อนนะให้หยุดหรือไอ้ท่านรองนะท่านรองที่เขาได้ตําแหน่งใหม่ๆไม่ยอมสั่งลูกน้องหรืออย่างเดียวอืทั้งทั้งที่โทรศัพท์นะโทรศัพท์มาไอ้ไอ้ปาอ่าไม้อําเภอนะปะ่ปะาปา่าไม้อําเภอป่าไม้อําเภอก็โทรมาบอกว่าให้หยุดไม่ให้หรือนะให้มาตรวจสอบก่อน นะก็ไม่ปังนะไอ้ท่านลองเนะี่ยลองปาไม้เหี้ยดนะนะสั่งลูกน้องลุยอย่างเดียวเลยนะไม่ให้หยุดพอนั่นไปมาภูว่านะอันนี้คำของผูวามาก็ให้กลับถึงเลยพาลูกน้องกลับพอลุงลุงเช้าขึ้นมาอเออไม่รุงเช้าพอรื้อเสร็จปุ๊บอะไรไปกลับไปปุ๊บพอช่วงยินอาตมากำลังพากันจะทำวัด ประมาณหกโมงเนี่ก็มาเลยหัวหน้าขีดโคราชเนี่ยหัวหน้าใหญ่มาพาลุงรองมารุ้ทั้งรองคนที่มันสั่งลืล้อนั่นแหละมาก็มาบอกว่าอาจารย์ผมว่าขอบินทบาทหัวหน้าใหญ่เขานะเอา้ายมจะมาขอบินทบาทเลยกับพระมีแต่พระจะไปบินทบาทกับโยม <laughs> เอาอย่างนั้นแล้วกันอาจารย์ว่า ใบสัญญาเนี่ยที่อาจารย์กับผู้ใหญ่บ้านวิ่ชี้เส้นผมจะเอามาคืนแต่ว่าให้เราแล้วจบเรื่องกันไปนะต่างคนต่างไม่เอาเรื่องกันเอออาตมาอุย้ยอาตมาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยอาตมายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอาตมาไม่ไม่รู้หรอกเขาบอกว่าตอนเนี้ยเรื่องมันไปไกลแล้วเขาว่านะอ่เรื่องมันไปไกลเขาเริ่มเดือดร้อนกันแล้วคันเนี่้นะ <c oughs> เรื่องเริ่มเดือดร้อนมาขอบินตาบาทกับเรากันนี้นะเออก็ก็บอกว่าอาตมาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกไม่เป็นไรนะอาจารย์กุฏิที่ลื้นน่ะเดี๋ยวผมจะให้ลูกน้องผมมาทําให้ใหม่หมดเลยเออเรื่องสามลังเออมันแต่มันไม่ไม่ได้แล้วเรื่องมันถึงนู่นแล้วทำใบธรรมมาก็นัดกันวันอาทิตย์เลยวันอาทิตย์เลขาเลขารัฐมนตรีส่งมามาวันอาทิตย์ แบบปิดเรื่องนะเขาปิดเรื่องเขากลัวลูกทั้งนี้เขากลัวลูกน้องขาเมันกันนะกลัวลูกน้องเขาเด้งเหมือนกัน <c oughs> เขาเลยมามาอาทิตย์ก็มาเต้มป่าไม้อําเภอป่าไม้จังหวัดมามากันมาดูนะก็เลยตกลงเขาบอกว่าให้ออมชอมกันเถอะนาเรียขามาจะทั้งป่าไม้ทั้งวัดก็ทั้งชาวบ้านก็ให้เป็นมิตรกันให้ อ่าอะไรเขาเขมาพูดอนะนะให้แต่ทั้งๆ ท, ที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเขาเดือดร้อนเขาไปเองอะนะเออเขาเดือดร้อนเขากลัวเขาเองเขาก็มาก็เลยนั่นแหละเรื่องมันก็เลยเริ่มยุติอาตมาก็เลยกับชาวบ้านก็เลยบอกว่าถ้าตรงไหนที่เป็นเขตของป่าไม้อ่าก็ต่างคนต่างไม่รู้ก็ให้มาปักหลักปักเขตให้มันให้มันเป็นเขตเป็นแนวจะเราก็เรารู้แล้วเราก็จะจะได้ไม่ไปทำ ตรงนั้นอันนี้จะต่างคนตามม่างไปรู้ที่เข้ามาอยู่ตอนแรกมันอยู่ข้างบนโนูน้นเขตของวัดอยู่ตรงตรงเขตนู้นเขตเขตเขตโอ่นอนอนองน้ําใหญ่ๆที่ตั้งอยู่นูน่นแต่คราวนี้พอมันมันลวกมันล้างมาเขากระปากเขตลงมาเรื่อยปักเขตลงมาเรื่อ ย, เ, เ, อยเพราะว่าช่วงนั้นไม่มีพระอยู่ก่อนที่เราจะมาอยู่เนยเขาก็มาจนถึงตีนเขานี่เลยนะก็ปักมาแต่พอเขาเขาเอาไอเขาเรียกว่า มันเป็นอะไรอ่ะดาวเทียมอ่ะนะดาวเทียมอ่ะนะจีพีเอสพอมานั่นปุ๊บกขาบอกสล า, าหลังเนี้ยเป็นของเขาหมดเลย uh huh. ตอนแรกเขามามามาบ า, าบอกกับเราก่อนแต่พอได้มามาวัดจริงจริงเขาผิดพลาดเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงเพราะว่าหลักฐานเก่ามันมีอ่า uh huh. หลักฐานเก่าเขามีอ่ะที่ที่เขาวัดไว้แล้วอะที่เขามีหลักอยู่แล้วเขานี้เขานึกว่าเรามาอยู่แบบไม่มีอะไรอ่ะก็คือเขาจะมายึดเราตรงนี้เป็น เป็นที่ปฏิบัติเขาเป็นเป็นเป็นที่อยู่ของป่าไม้ oh. เขาจะไล่เราออกไงคร mm hmm. าวนี้ไปเมื่อเจอของแข็งนะเจอแต่เราไม่ได้แข็งกับเขาหรอก <laughs> มีตัวช่วยเนาะมีตัวช่วยก็เลยเรื่องนี้ก็เลยต่างคนต่างอมชอมก็บอกอ่ะถ้าอย่างนั้นเราก็อยู่ด้วยกันแบบสันติสุขนะก็รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรต่อไปเราก็จะช่วยกันดูแล ต่างคนต่างไม่ยุ่งกันนะก็เลยตกลงกันตั้งแต่บัดนั้นมาก็เขาก็ไม่มายุ่งกับเราอีกก็เลยจบใะเรื่องนี้เราก็เลยเออแล้วก็อยู่แบบนี้แหละแล้วมาช่วงหลังหลวงพ่อท่านก็ได้อ่าไปขอเข้าร่วมกับป่าไม้ในช่วงหลังอะก็ได้อ่ารับอนุญาตจากตอนนั้นสุวิตคุณกิติเป็นรัฐมนตรีเนาะก็เลยได้เข้าร่วมกับป่าไม้ เราก็เลยใช้สถานที่ะได้ร่วมดูแล ก, กับป่าไม้อ่าเขาก็เลยไม่ตั้งแต่บัตานั้นมาเขาก็เลยไม่ไม่มารบกวนเราเอลําบากนะมันไม่ใช่แค่นี้เรื่องยาวนะเรื่องเรื่องของของตรงนี้นะแต่อัตมาหลวงพ่อบอกว่าฮงอยู่ได้ไหมได้หลวงพ่อวัดเรามีนะน้องพอกหลอดกับน้องพอกหลอดว่าไม่กลับแล้วหลวงพ่อเราไม่ได้ไม่เอาอะไรนี่ใช่ไหมก็อยู่อัตมาก็อยู่แบบนี้แหละ อยู่ไปอยู่มาก็อยู่ได้อยู่ได้เพราะอะไรอยู่ได้เพราะทํานะเพราะว่าเรามีที่พึ่งของเราแล้วเราไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปพึ่งอะไรนะเราพึ่งตัวเองนะพึ่งตัวเองก็คือมีที่ที่ตรงนั้นนนั้ที่ตรงนั้นที่ป่ามะขามนั่นก็เป็นของโยมโยมเขาก็พอเราลื้อตักข้างบนลงมาแล้วมันไม่มีที่ไว้เนาะมันมีมีที่อยู่ก็เลยไปขอยมเขาอีกสองไร่ตรงนั้นโยมเขาก็อ่า ใหส้สองไร่นะ่ะตทงป่ามะขามเป็นเป็นที่ที่เขาปลูกไว้แล้วมะขามเป็นเป็นป่ามะขามเป็นเราถึงได้ไปทําเป็นที่อยู่ของพระตรงนั้นนะ่ะนั่นแหละมันก็มีความเป็นไปนะ่ะแบบนั้นพอมาช่วงหลังนะ่ะช่วงหลังเราก็มาอยู่ก็ชาวบ้านก็ยังไม่เชื่อถือนะ่ะว่าเราจะมาอยู่จริงก็มีคนบอกว่าบอกว่าโอ้ยใครมาอยู่มันอยู่ไม่ได้ถึงห้าปีหรอกนะ่ะ พระที่ไหนมาอยู่มันก็อยู่ไม่ได้นะเจ้าที่แรงเออเจ้าที่แรงอาตมาตอนนั้นคิดว่าจะมาอยู่กับหลวงพ่อสักสี่ปีสี่ปีก็จะจะไปลนะแต่พอได้กำลังใจบอกอยู่ไม่ได้ถึงห้าปีนี่พอปีที่สี่เข้าปีที่ห้ามันจะเป็นอะไรวะลองอยู่อีกสักปีหนึ่งสินะกำลังใจตรงนั้นแหละนะก็เลยอยู่ต่ออยู่ต่อก็เลยอยู่ได้มาเรื่อยๆเป็นสิบปีสิบเ็ดปีนะ น, นี่นะก็เลยก็เลยเอาชนะใจของชาวบ้านได้แต่ยังไม่หมดนะนะชาวบ้านบ้านหนองใหญ่บ้านนานศีลาเพราะว่าเราสร้างตรกกุม ง, งามความดีแล้วก็พาญาติโยมนะพาช่วงวันพระสิบห้าค่ำแปดค่ำช่งงข้าพรรษานะก็จะมีชาวบ้านนะมีชาวบ้านทั้งบ้านหนองใหญ่ทั้ง อ, อำเภอพักดี บ้างหนองบอองัแดงบ้างมารวมกันบ้านบําเนศบ้างในใกล้เคียงในตนําบลหลายๆตําบลมารวมกันเจ็ดสิบถึงแปดสิบนะมามามารักษาศีล น, นะอ่ารักษาศีลอ่าเจ็ดสิบเจ็ดสิบถึงแปดสิบคนถ้ายิ่งเป็นวันหยุดเด็กๆ ก, ก็จะมากันนะเด็กนักเรียนอะ่านี่ก็พออบัทิบ ท, บทนะอันนี้ก็มีพออสองสามพออสี่พออนะั่นแหละที่พาเด็กเข้ามา นะพาเด็กพาเด็กเข้ามาปฏิบัติแล้วพอเข้ามาปฏิบัติก่อนนะที่นี่นะไม่ใช่ว่าจะเอาแต่เด็กมาปล่อยนะอาต่มานี่ก็ได้ได้ไปตอนเช้าเถอะใครอยากจะดูก็ไปดูตอนเช้าเด็กที่บ้านหลองใหญ่หรือบ้านอศสิลานที่เข้ามาอบรมที่เนี่ยเราไปบิณฑบัตจะมีแต่เด็กที่เข้ามาอบรมใส่บาตรให้เราเป็นแถวนะหาดูได้ยากนะตั้งปสี่นะเด็กปสี่แม้กระทั่งเด็กตัวเล็กๆ รอใส่บาดเป็นแถวเลยหาไม่มีนะในในเมืองในที่เจริญไม่มีแต่ที่นี่มีเพราะว่าคุณครูและพ อ, อเนี่ยเขาเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะช่วงวันศุกร์จะแต่งชุดขาวสวยมากนะแต่แต่งวุชชา่าขาวแล้วก็พาเด็กปฏิบัติยกมือสร้างจังหวะที่ไหนยกมือสร้างจังหวะไม่เป็นไม่ใช่นะ อ, อ, น อ, อ, อ, อ, อําเภอหนองบัวแดงอําเภออ่พักตรีชุมพลอันนี้ ปีนี้ก็มีโรงเรียนนนถักหวานเข้ามาพ่อทวีนะพ่อทวีพอ่อสุนทรีพอ่พอพ่อโบธีบีนี่ก็มามาเย็นนะตอนาวมาไม่ได้ก็มาตอนเย็นนะเขามาร่วมนะก็ถือว่าสถานที่ตรงนี้ก็เป็นอบอุ่นนะเป็นสถานที่ที่อบอุ่นก็คือมีชาวบ้านเข้าใจแล้วก็ช่วยกันดูแลวัดแนะม้ว่ามีอะไรชาวบ้านก็จะคอยปกป้องดูแลนะคน มีคนรักแล้วก็มีคนเกลียดนะมีคนเกลียดก็คือเขาก็หาเรื่องเราอาตมานี่โดนหลายเรื่องนะอ่าโดนหลายเรื่องอ่าเรื่องเรื่องเรื่องแรกก็คืออาตมาเนี่ยเขาบอกว่ามาค้นที่ห้องเจ้าอาวาสเจอถุงยางอนามัยเพียบเลยมาค้มาค้นยาบ้ายาบา้าแต่ไม่มียาบา้า <c oughs> ไม่พบยาบา้าแต่ถุงยางอนามัยเพียบเลยโอ้โหมาจากไหนเนี่ย <c oughs> <laughs> อาตมาอาตมากะยิมเออมันมาจากไหนวะเ น, นี่ยไม่โวยวายนะอาตมาโวยเพราะว่ามันไม่ใช่ของจริงใช่ไหมอาตมากะยิม้มเออมันมันก็เปลี่ยนไปได้เนาะ อ, อืแล้วก็หลายๆเรื่องนะเยอะมากโดนแต่เรื่องโน้นเรื่องนี้ทั้งมาคนเจออาวุธบ้างเจออะไรบ้างหลายเรื่องหลายราวนะในแต่ชาวบ้านเขาจะคนที่พูดปุ๊บพอชาวบ้านเขาได้ยินคนได้ยินเขาก็แก้แทนเราไป นะไม่มาถึงตัวเรานะเขาก็แก้กันเองเพราะว่ามีแต่คนที่ปฏิบัติธรรมไม่ว่าบ้านาบ้านบําเน็จบ้านน้องปังบ้านเจียงหรือหลายหมู่บ้านที่เข้ามาปฏิบัติธรรมมีคนที่เขาเกียดเราที่เกียดเราไม่ใช่เพราะอะไรเราไม่ให้ลูกเขาบวช <c oughs> เพราะว่าเอาลูกมาฝากเราเนี่ยเขาจะเอาลูกเขาบวชล้วบอกว่าต้องมาปฏิบัติก่อน ต้องมาปฏิบัติก่อนให้มันเปลี่ยนแปลงแล้วก็รู้จกักรู้จักวินยัยรู้จกักการปฏิบัติซะก่อนนะ <ST. S 1> เขาก็จะมาเรื่องบวชนั่นไปมาพอเห็นไปเห็นมาอัตามาไม่บวชให้เพราะว่ามันไม่สมควรที่จะบวชพอไม่บวชเข า, เาก็โกรธเข า, เาก็พาลูกเขาไปที่อื่น <ST. S 1> เข า, เาก็ไปบวชแล้วเขาก็นั่นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นนะมันก็มีหลายๆอย่างนะที่เราทําตรงนี้แล้วเรา เราไม่ทําตามเขาเพราะว่าถ้าเราทําตามเขาก็คือเราก็ถูกเขาดึงไปนะเราไม่ได้ดึงเขานะจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่นะที่นี่ก็คือเป็นที่ที่เย็นนะเป็นที่เย็นแล้วก็เป็นแบบแบบอย่างอาตมาก็สืบสารแล้วก็ต่อนะสืบต่อของครูบาอาจารย์ก็คือหลวงพ่อซึ่งทําเดินตามรอยว่า่างนั้นเถอะนะท่าน ปลูกไ่ายังไงเราก็ไปอย่างนั้นนะในเรื่องของระเบียบในเรื่องของทุกอย่างนะที่ท่านปลูกฝังเอาไว้เราก็อาเดินตามนะแล้วก็ทําตามพากันประพฤติปฏิบัตินะใครเข้ามาเราก็พาปฏิบัตินะไม่ว่าพระเจ้าพระสงฆ์แล้วก็ลูกชาวบ้านนะลูกชาวบ้านก็เราก็คิดว่าแต่ละคนเนี่ยเข้ามาเนี่ย แต่ก่อนไม่ไม่ไม่ได้มาบวชที่นี่นะแต่เดี๋ยวนี้พ่อแม่จะพาลูกมาบวชที่นี่กันหมดนะมาบวชที่นี่กันหมดก็คือบวชแล้วได้เข้ามาประพฤติได้เข้ามาปฏิบัติบางคนแต่ก็ไม่ดีทุกคนไปนะเข้ามาวัดไม่ใช่ว่าดีทุกคนนะออกไปชั่วก็มีมากกว่าเดิมก็มีเพราะว่าเขาเข้ามาแล้วเขาไม่ได้ประพฤติปฏิบัติจริงๆจังๆนะอันนั้นมาโทษวัดไม่ได้โทษครูบาอาจารย์ไม่ได้ต้องโทษตัวเขาเองนะเขาบอกอ่า วัดถ้ำเนี่ยอาตมาก็บอกว่าวัดเนี่ยดีอยู่แล้วแต่ที่มันไม่ดีก็คือคนนะอาตมาก็บอกว่าเข้ามาเนี่ยถ้าเสียสักคนหนึ่งเน <NO well> <S <S ี่ยทําเสียสักคนหนึ่งเนี่ยนะคนที่ทําดีมาก่อนเนี่ยก็จะพลอยอดไปด้วยอาตมาก็บอกว่าถ้าทําไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ทําไม่ได้อาตมาก็เชิญออกนะเชิญออกนะถ้าอยู่ไปก็ทําความเสื่อมเข้ามานะเพราะว่ามันเป็นความเสื่อมอาตมาก็อยาก จะนี่แหละจะอยู่ในจุดนี้ก็คือถ้าทําไม่ได้แม้แต่ตัวอาตมาเองนะถ้ามันทําไม่ได้อย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านอทําทปลูกฝังเอาไว้อาตมาก็คิดว่าไม่สมควรที่จะอยู่นะอาตมาก็ดูตัวเองนะไม่ใช่ว่าจะไปดูแต่คนอื่นอาตมาว่าทําอะไรไปสิ่งไหนอะไรเนี่ยอาตมาก็กลับมาดูตัวเองดูตัวเองว่ามันสมควรไหมมันสมควรไหมเราไปขอเขาเข้าวชาวบ้านเขากินทุกวันทุกวันเนี่ยเราอยู่ แบบนี้มันสมควรไหมเรามีอะไรตอบแทนชาวบ้านบ้างแต่ว่ามาอยู่ช่วงอยู่ไปอยู่มาเราก็มีสิ่งที่ตอบแทนชาวบ้านก็คือธรรมะแล้วก็พาชาวบ้านแล้วก็ญาติโยมเนี่ยได้เพื่อพืชปฏิบัติกันแล้วเราก็มีคิดว่ามีทั้งโรงพยาบาล น, นะโรงพยาบาลเราก็ได้ทําคิดว่าไม่ได้ทําแต่ส่วนประโยชน์ส่ว น, วนตั ว, ต, ว, ต, ว, ต, วตัวเองมีประโยชน์ท่าน ประโยชน์เราประโยชน์ท่านก็คือประโยชน์ของเราก็คือเราได้พาเขาปฏิบัติได้พาเขาปฏิบัติเราก็ได้เราเขาก็ได้เขาประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็คือมีคอสของโรงพยาบาลบ้างโรงเรียนบ้างแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ทางอำเภอทางอำเภอก็มียาเสพติดยาเสพติดเข้ามาทั้งประลัดทั้ง อำเภอก็เข้ามานะก็เราก็ช่วยเท่าที่เราจะช่วยได้นะไม่ว่าชาวบ้านไม่ว่านักเรียนนะเยาวชนต่างๆที่เข้ามาก็หลายโรงเรียนก็ที่นี่ตั้งแต่เข้าพรรษามาก็ยังไม่มีเวลาหยุดนะก็ตรงกับหลวงพ่อนะจะให้หลวงพ่อมาไปช่วยหรือเราจะไปช่วยหลวงพ่อก็ต่างคนต่างติดต่างคนต่างติดก็เลยไม่ได้ไปช่วยหลวงพ่อก็ติดของอาสมศิลนะอาตมาก็ตั้งแต่ ก่อนเข้าพรรษามาก็เยอะนะโรงพยาบาลนนทส ง, งาโรงพยาบาลนนทส ง, งาแล้วก็ทั้งนักเรียนทั้งอะไรหลายๆ น, น่นเดียววันที่ยี่ยี่สิบสองถึงที่ยี่สิบเนี่ยแต่จะงานนี้ก็โรงพยาบาลหนองบอัวแดงอีกหกสิบคนนะโรงพยาบาลหนองบอัวแดงก็คิดว่าเราทำตรงนี้มันไม่เหนื่อยนะอาตมาว่าถ้าเราทำตรงเนี้ยถ้ามีคนเข้ามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยอาตมาเนี่ยสู้ใจขาดเลยนะ แต่ถ้าเข้ามากิน <ś led> มาเล่นมานอนมาสนุกสนานเน่ยอาตมาว่างานนี้นะอาตมาจะดูก่อนว่าถ้าได้ผลอาตมาก็จะทําอีกถ้าไม่ได้ผลอาตมาก็จะไม่ทําไม่ไม่ใช่ว่าจะจะต้องทําแบบเขานะไม่ได้นะต้องทุกปีทุกปีทุกปีต้องทํานะอาตมาไม่ไม่ได้ดูแบบนั้นอาตมาไม่ได้เอาเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้เอาปริมาณคือคนเยอะนะไม่ได้เอาปริมาณนะอาตมาเนี่ย คิดคิดดูแล้วเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยถึงคนเยอะก็จริงแต่ไม่ไ ม, ไม่มีไม่มีผลไม่มีผลเท่าที่ควรเนี่ยอาตมาก็คิดว่ามันไม่คุ้มค่านะแต่ว่าญาติโยมทุกคนที่เข้ามาถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงเนี่ยอาตมาก็ต่อไปก็จะมีอีกนะทุกปีทุกปีไปแต่ว่าเป็นตามสายงานเนี่ยอาตมาไปดูแล้วเนี่ย มันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะไม่ไม่ได้ผลเท่าที่ควรแต่ก็เป็นบางที่นะบางที่ก็ดีตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีแต่ของเราในงานนี้อาตมาก็มีกำลังใจมากนะที่ญาติโยมเนี่ยแต่และคนเข้ามาเนี่ยตั้งใจนะมีความตั้งใจแล้วก็ปฏิบัติกันแบบจริงๆจังๆอาตมาที่ทําตรงนี้มาเนี่ยก็คือมันมีผลนะมีผลก็คือ จะยมเขามาเพิ่มมาเพิ่มมาเพิ่มแล้วสถานที่ไม่พอที่มาเพิ่มเพราะอะไรเพราะว่ามันมีผลคนที่ได้เข้าปฏิบัติอาตมาก็จำหลวงพ่อได้ว่าคุณก่อนที่คุณจะสร้างอะไรเนะี่ยที่จะบริจาคอะไรคุณต้องมาทําก่อนอาตมาก็จะจําคํานี้ของหลวงพ่อได้ก็คือต้องให้เขามาปฏิบัติก่อนเขาอยากจะสร้างกุศลสักหลังนึงถวายอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งให้คุณเข้ามาปฏิบัติก่อนให้ได้ผลก่อนเดี๋ยวคุณค่อยมาสร้าง อาตมาก็จะเอาแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเออคนนั้นมาเสนอสร้างงาน้สร้างนี่เอาเอาเอาตรงนั้นตรงนี้ไม่เอาเหมือนกันอาตมาก็ไม่เอานะถ้าคนมาสร้างถ้ามันยังไม่ได้ผลอะไรอาตมาก็ไม่รับเหมือนกันนี่มันเป็นแบบนี้อาตมาคนไหนที่เข้ามาปฏิบัติได้ผลแล้วเขาจะรู้เองว่าตรงไหนขาดตรงไหนนี่ตรงควรทําตรงไหนไม่ตรงควรทําเขาจะแบ่งแยกเขาจะรู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทํานี่มันจะมีผลเป็นแบบนี้อาตมาก็อยู่มาแบบนี้ สารที่ตรงนี้อาตมาก็คิดว่าอาตมาถ้าอาตมาอาตมาตกเครื่องบินนะตกเครื่องบินว่าจะไปอินเดียก็เลยไม่ได้ไปกะว่าจะไปวันที่สี่กับวันที่เออเออไปวันที่สี่กับวันที่สิบสองนะางานนี้ก็คงจะไม่ได้มามาทําตรงนี้หรอกก็คงคงจะไปเป็นบนศาลาแต่ว่าพอตกเครื่องบินปุ๊บไปช่วยกระถิ่นหลวงพ่อกลับมา อ่าวันที่สองวันที่แปดถึงได้ถึงถึงได้มาทําตรงนี้วันที่แปดก็ยี่สิบวันตรงนี้นะยี่สิบวันเนี่ยที่ทําำ <c oughs> เห็นไหมยี่สิบวันเพราะว่าเพราะอะไรเพราะกําลังใจมันมีกําลังใจก็คืองานปฏิบัติงานนี้ถ้ามีผลนะถ้ามีผลเราไม่เหนื่อยไม่เหน็ดเหนื่อยต่อการทําทํางานเพราะว่าการทํางานเราทํางานเป็นถ้าใครทํางานเป็นจะไม่เหนื่อยนะสุดท้ายนะทํางานเป็น แต่กต่อนอาตมาทำงานไม่เป็นนะทำงานก็งดงิดติดอารมณ์อยากแต่ปฏิบัติครูบาอาจารย์ใช้ให้ทำงานก็ติดอารมณ์อุย้ยทุกข์จะเป็นจะตายนะเราเข้ามาเนี่ยเข้ามาปฏิบัติธรรมเพื่อจะออกจากทุกข์งานเราทำมาเยอะแยะแล้วงานเนี่ยเบื่อแล้วไม่อยากทำแล้วนะอะไรก็ทำมาหมดแล้วเนี่ยก็มาใช้เราทำงานนะอยู่กับครูบาอาจารย์พอเก็บอารมณ์ออกมาก็ใช้ทานู่นทำนี่ทาโอ้ใครอยู่ดอยจะรู้ กํนานันกํานันรู้เนาะอืม응ใครอยู่โดยจะรู้นะอะผ่านอือเดี๋ยวทํานุ่นเดี๋ยวทํานี่ทํานู่นสลาพัสสลาฟีเรางนยิ้ติต่ลมว่าอยู่ได้ไหมเนาะอยู่ได้ไหมเนาะในใจนะอืออยู่ที่หนองกวากรอดนะอัตมาก็เลยเออเราเป็นคนสติปัญญาน้อยแต่ความไม่หนีนะอัตมาไม่หนีใช้ความอดทนคือขันติเอา้ากูบาการใช้ทําอะไรก็ทำทำเอ้าลองลองดูมันจะตายไหม เราออกไปเราก็ทุกอ่ะเข้ามาเราก็ทุกลองดูมันอันไหนมันจะทุกมากกว่ากันแต่เรารู้นะว่าทุกน่ะแต่เราออกจากทุกไม่เป็นนะออกจากทุกไม่เป็นมันก็เลยทุกซ้ําไปอีกนะทั้งทั้งที่ท่านบอกให้เราออกจากทุกน่ะแต่เราก็ไปทุกเพิ่มเพราะว่าเราทํางานกับทํางานกับทุกอ่ะมันไม่ออกจากทุกนะามกันเหนื่อยก็ร่มหมุดงี้ติดอารมณ์โอ้ยอะไรเนี่ยเรามาปฏิบัติ มาเป็นปฏิบัติให้เรามาทํางานแบบนี้โอ้ยไม่เอาแล้วตากแดดแตกครับทุกอย่างใช้ทํานะพอมาทําไปทไํามาเอ๊ะนะมาช่วงนั้นเราก็ทํางานไปทํางานก็พรนะนั่งจานพันนั่งอยู่นี่จนะุดนั้นทําเยอะอาจารย์มหาสมปองชวดนั้นอยู่ด้วยกันอาจารย์มหาสมปองหลวงพ่อถมหลวงพ่อแบนนะ่ะอยู่กันเยอะทําทงานหลวงพ่อถมนะหลวงพ่อถมที่อยู่ไม่ได้ทุกวันนี้เพราะ ท่านไม่มีความอดทนนะผมพอถมแกก็ทุกมาเหมือนกันนะเขาะอ น, นั้นก็ททำฟาร์มเห็ดนะขึ้นหลังเขาเดยกกระจับทํานู่นทํานี่โปงโป่งเป้ง น, นะทาพอเหนื่อยขึ้นมากูไม่อยู่แล้วเว้ยทุกจะเป็นยังตายใช้กูทำงานเหนื่ยมาหลวงพ่อมาหายืนอยู่ข้างหลังเจอของโอ้นะ ก็สนุกนะเห็นเห็นแล้วก็สนุกนะการํางานนะเพราะว่าถ้าทำเป็นเนี่ยมันจะสนุกเราก็มาทำเป็นที่หลังเน่ยเรามาทุกจนจน ส, สุดแล้วนะเราถึงมาเข้าใจโอ้มันการปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติกับงานก็ได้นะปฏิบัติกับงานก็ได้แต่มันไม่ใช่นะถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเข้มไม่ได้ปฏิบัติเก็บอารมณ์ไม่ได้ปฏิบัติ ในรูปแบบเนี่ยเราจะมาทํากับงานไม่เป็นอันนั้นก็ต้องเข้มด้วยนะเราต้องทําความรู้สึกตัวเนี่ยต้องทําในรูปแบบเนี่ยให้มันให้มันเข้มแล้วก็ได้เก็บอารมณ์บ่อยๆนะเก็บอารมณ์บ่อยๆแล้วก็พอเรามาทํางานปุ๊บแต่เราไม่ได้มาทําเองนะครูบาอาจารย์ใช้ตัวแรกอะ่ะมันก็ไม่เห็นอารมณ์ตัวเองมันไม่พอใจความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นตลอดเวลางดงิติตอารมณ์ทําทําไปก็คิดบอก คุณจะต้องขอเก็บอารมณ์เว้ยจะต้องขอเก็บอารมณ์คิดในใจว่าการปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติแต่จริงๆแล้วการที่จริงเนี่ยหลวงพ่อเทียนสอนให้ให้ทํากับงานใช่ไหม ใ, ให้ทํากับงานก็ได้จะไปไหนทําอะไรทําได้ครับรถรับปลาไปไหนมาไหนทําอะไรทําไร่ทำํำนาหุงข้าวหุงปลาล้างถ้วยล้างจานทําได้หมดอันนี้เราไม่เข้าใจเราทำไม่เป็นนะแล้วเราเรามาทํากับงานเนี่ย เรามาทํากับงานเราไม่ได้ทํากับความรู้สึกนะเราไปทํากับงานเอาใจไปไว้กับงานเมื่อไหร่มันจะเสร็จวะอืมเราเอาใจไปไว้กับงานเราไม่ได้เอาใจมาไว้กับความรู้สึกตัวมือเราเคลื่อนไหวทําอะไรจับจอบจับมีดจับปากกาจับอะไรเราไม่ได้มาอยู่กับความรู้สึกตัวเราไปอยู่กับงานนู่นแหะมันไม่ใช่ทําเป็นนะนนั้นน่ะทํากับงานมันก็เป็นยุได้อยู่แต่ว่ามันไม่มีความรู้สึกตัวมันไปยุรู้สึกอยู่กับงานข้างนอกนู่น มันไม่ได้ไมายุรู้สึกอยู่กับการเคลื่อนไหวของเราใช่ไหมนี่เนี่ยตรงตรงเนี้ยที่เราเข้าใจผิดโอ้พอมาที่ลังพอมาทํางานเอ๊ะมันมั น, มนทําแบบนี้อาตมาเนี่ยทํางานใช่ไหมหลังลอกมันงูเหลือมเลยอะ่ะ <laughs> มาดูทํางานนะเนี่ยอาตมาทําห้องน้ําตรงเนี้ยทําคนเดียวนะห้องน้ําเนี่ยอาจารย์มหาสมปองเป็นคนผสมปูนนอกนั้นก็ทำกันเป็นจรรันพันก็ขนยิด ข, น, ข, น, ข, น, ข, น, ขนอะไรให้ ุนะรูถ้าทำนี่ทั้งก่อทั้งฉาบทั้งอะไรทั้งหมดตั้งคอหารปิวปูกระเบื้องอะไรนะทำว่าฉาบนั่นไปนั่นมามันไม่ทันน่ะมันไม่ทันก็ต้องรีบฉาบรีบรีบนั่นไหมนั่นไปนั่มามันตากแดดแดดก็ร้อนนะมันยังไม่มีหลังคายังไม่มีหลังคาก็คือก่ออิดขึ้นก่อนแล้วก็ทําไปนั่นไปนั่มาทําทําอยู่หกเจ็ดวันมันไม่รู้สึกร้อนเลยนะมันแต่ใจมันไปอยู่กับงานนู่นแะมันไปอยู่กับงานครวนี้ความรู้สึก วัว น, นี้ไม่มีเลยไม่มีเลยมันร้อนขนาดไหนก็ไม่รู้เลยเอาใจไปไว้กับงานพองานเสร็จรู้ไหมมีอะไรเกิดขึ้นพองานเสร็จปุ๊บก็ดูอแขนทำไปเป็นเกล็ดเลยมาดูแขนก่อนเพราะว่าไม่ได้ใส่ใส่อะไรใส่อังสะตัวเดียวใช่ไหมอเออพอมาดูโอโ้โหลอกเป็นแผ่นเป็นแผ่นออกมาเลยพองานเสร็จอะโอโ้โหเราขนาดนี้เน้นเนี่ยมาดูเออถูกแดดไหมไม่รู้สึกตัวอะไรเพราะว่ามันเข้าไปอยู่กับงานอยากให้มันเสร็จแล้วมันแล้ว เนี่ยความรู้สึกตัวเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นมันจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะอาตมาก็เลยโอ้โหแบบนี้ตายมันมันทําได้สองอย่างก็คือเพลินไปกับงานมันเพลินเลยทํางานอะ่ะอืมมันก็คิ ด, ค ด, คดปรุงแต่งไปข้างหน้าว่าเออจะต้องเสร็จต้องทำทำัทำ้งนั้นทำอย่างนี้ต่อต่อต่อต่อต่อต่อไปนี่มันถึงได้ได้เป็นอย่างนั้นอาตมามีประสบการณ์นเนยอะนะอในเรื่องของการทํางานเพราะว่าเราอยู่กับอยู่กับเรียกว่า อยู่กับการทำงานมาเยอะนะงานทุกอย่างทำอาตมาคิดว่าทำเป็นทุกอย่างไม่ว่างานก่อสร้างงานอะไรนี่แหละนะทำได้ทุกอย่างนะก็เลยเก็เลยว่าเราก็เลยมาเปรียบเทียบว่าเราเคยทำมาแล้วเนี่ยแบบนี้มันเป็นอย่างนี้แบบนี้มันเป็นอย่างนี้นะก็เลยมารู้สึกตัวว่าโอ้เราทำเราไม่ได้มาอยู่กับความรู้สึกตัวที่แท้จริงถ้าเรามารู้สึกตัวที่แท้จริงเนี่ย เราสามารถทํางานได้อย่างสบายเลยนะทําได้สบายจิตใจนะมันเห็นจิตเห็นใจตัวเองตลอดเวลาเลยนะเพราะว่าจิตใจของเรามันไม่ได้ไปไหนเราจะไปไหนทําอะไ ร, ะไรจะเดินจะลุกจะย่างทำอะไรลุกไปหยิบประนิดลุกไปหยิบปรนิดทำทำไปทำไป ม, มันมาเห็นตรงนี้โอ้เรามาเห็นเอา้าที่เราทําไปแนละ้วมันเข้าไปกับงานไปเป็นงานเอา้านี่มันออกมาอยู่กับความรู้สึกตัวเราก็เห็นเราก็แยกกันออกใช่ไหม พ่เรามาเห็นตรงนี้โอ้จริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้คราวนี้เราเรามาทํางานอะไรก็แล้วแต่เราเราไม่ได้ทําเพื่อให้มันเสร็จให้มันแล้วทําเพื่อกันทุกวันนี้ตั้งแต่รู้ตรงนั้นมาอัตมาพาพระทํางานอัตมาพอเก็บอารมณ์ออกมาปุ๊บหรือว่าพาพาปฏิบัติอย่างเจ็ดวันหรือสิบวันเนี่ยปฏิบัติในศาลารวมกันงานแต่ละอย่างเนี่ยอัตมาจะพาไปทําทําปุ๊บอัตมาก็จะดูอารมณ์ของพระ ของของพระที่ทํางานเนี่ยว่าแต่ละองค์แต่ละแต่ละรูปเนี่ยมีจิตใจเป็นยังไงเราจะเห็นจิตใจเขาตอนนั้นเลยจะเห็นการปฏิบัติว่าเขาปฏิบัติได้อะไรบ้างความงดมีติดอารมณ์มันจะเหมือนเราเนี่ยเราก็ไปดูตรงนั้นอ้าวองค์นี้เริ่มทํางานเริ่มเพียนแล้วเนี่ยเริ่มหาเรื่องเริ่มงุดยึดติดอารมณ์แล้วแล้วก็ออกมาออกมาออกม า, ออกมาเราก็เลยรู้ตรงนี้ว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้ที่ครูบาอาจารย์ปลึกเรามา ฝึกละมาเราก็เลยได้มาทําตรงนีน้เราก็ได้เห็นอ า, อารมณ์ของพระทั้งพระทั้งโยมนั่นแหละจะเห็นอารมณ์ของเขาใ น, ในการทํางานว่าเขาทํางานเป็นไหมถ้าทํางานไม่เป็นเนี่ยเขาก็จะคุยกันเสียงดังะทําทไปทํามามันจะเพลในคําพูดละกันนี้มือมือก็ทําไปแต่ว่ า, มา ไ, ไม่ได้ผล่ะ น, นี่เราก็มาเห็นตรงนี้เราก็เลยการเก็บอารมณ์ เก็บอารมณ์นี่ก็ไม่ใช่ว่าเก็บอารมณ์นี่ไม่ใช่ว่าโอ้ยจะไปเข้าเก็บแต่ในห้องเข้าเก็บอยู่คนเดียวเชื่อเถอะเก็บไม่ได้หรอกนะเก็บไม่ได้เก็บอารมณ์นี่เก็บแบบไหนอ่ะการเก็บอารมณ์อ่ะเก็บอารมณ์นะเก็อารมณ์ต้องใจความเพี้ยนการที่จริงเนี่ยโอ้ยเราอยากจะเก็บอารมณ์ไปอยู่คนเดียวมันเก็บไม่ได้หรอกโอ้เดี๋ยวมันก็คิดไปนู่นคิดไปนี่คิดไปนี่คิดไปนู่นนะ จริงๆแล้วเนี่ยมันเห็นอารมณ์ตรงนั้นอะที่มันออกไปนูน่นออกไปนี่นะมันจะเห็นได้เร็วแต่ว่าถ้าเราเก็บอารมณ์ตรงตรงนั้นได้นะ่ะเราเห็นอารมณ์ตรงนี้แล้วเรามาทํางานเนี่ยคือมาเก็บอารมณ์กับงานเก็บอารมณ์กับงานเนี่ยคือของจรงิงเลยนะเหมือนเราจะล้างถ้วยล้างจานจะไปนูน่นไปนี่มันอยากพูดอยากคุยอ่ะเห็นคนนั้นมันอยากคุยอยากพูดอยากเข้าไปถามดูละอืพูดไม่มีเหตุไม่มีผลนี่คือการเก็บอรมมารู้ละ ตติมรู้ทันอ่าพ อ, อลุกขึ้นไปไป น, ไปนู่นไปนี่เนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเราลุกจากที่นั่งไปนะเปนี่ยเก็บได้ไหมเก็บอารมณ์ได้ไหมไม่ได้พอลุกออกไปก็นั่นละงงงงงงไม่มีความบางทีเนี่ยเนี่ยเราขาดตรงนี้การเก็บอารมณ์ก็คือเราทำงานเราก็เก็บได้เราจะเห็นจิตเห็นใจเราเห็นความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยเห็นจิตเห็นใจเราได้ชัดเลยนะเราทำงานอะไรก็แล้วแต่ เราจะเห็นจิตของเราเนี่ยเพราะว่ามันจะอยู่กับปัจจุบันทำมมันจะอยู่กับการเคลื่อนไหวของเราเราจะทําอะไรจะเดินไปไหนจะทําอะไรจะทํางานทํา น, น, นู้นทํานี่จะไปหาคนนั้นจะไปหาคนนี้จะไปพูดในนู้นจะไปพูดอย่างนี้มันเป็นยังไงเราจะเห็นตรงนั้นถ้าเราเก็บอารมณ์ถ้าเราเก็บข้างในเป็นเราก็จะมาเก็บข้างนอกเป็นเราต้องเก็บข้างในให้เป็นก่อนมันจะเห็นอารมณ์ได้ชัดมันคิดมันนึกมันอยากาอะไร เยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วเรามาทํางานอยู่ข้างนอกเนะี่ยเราจะเห็นเลยมันอยากพูดอยากคุยมันอยากไปนูน่นอยากไปนี่อยากทํานูน่นอยากทํานี่เราจะเห็นมันนะเพราะว่าความรู้สึกตัวของเราเนี่ยมันสามารถที่จะมาทํากับงานมาเก็บอารมณ์อยู่ข้างนอกได้มันอยากพูดอยากคุยคุยไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีสาระมันก็ไม่อยากพูดละมันรู้แล้วว่าคุยเป็นแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยตรงเนี้ยนะถ้าเราทํางานเป็นทุกๆคนเนะี่ย ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะไปอยู่บ้านทำงานทำการทำอะไรได้แต่ว่าเราต้องมาทำตรงนี้ให้มันขยายออกเหมือนหลวงพ่อบอกว่าเหมือนที่เราโยนไม้โยนก้อนหินไปให้มันให้มันขยายออกไปจากในรูปแบบของเราที่เรามาทำนะถ้ามันขยายออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะจะเป็นวงกว้างออกกว้างออกไปแต่ว่ามันจะชัดขนาดไหนยิ่งชัดมันก็ยิ่งกว้างยิ่งกว้างนะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มันก็จะเกิดขึ้นนะรู้สึกตัวทัวพร้อมรู้ไหมว่ามันเป็นยังไงนะแต่ดูความรู้สึกตัวทัวพร้อมเน่ปิบตารู้อ้าปากลูหายใจลูเ ง, งี้ยไตเง้ยควา้านะความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยมันจะชัดมากมันชัดนะแม้กระทั่งเรานอนนะเรานอนไปเนี่ยเราได้ยินอะไรไหมเรานอนตอนเรานอนได้ยินอะไรไหมลมหายใจเราเนี่ย มันจะได้ยินลมลมหายใจแล้วมันมันขนาดนั้นนะลมหายใจแล้วก็พลิกซ้ายพลิกขวามันจะรู้ความรู้สึกน่ะมันเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนอะไรจนจนกว่าจะหลับหนุน่ะมันจะเห็นอาการของมันที่มันมันเปลี่ยนนะในเรื่องของอ่าความรู้สึกตัวเนี่นั่นแหละนะเราก็พยายามเนาะทุกท่านนะในวันนี้ก็คุยกันหลายเรื่องหลาย หลายลาวนะในเรื่องของการปฏิบัติบ้างในเรื่องของมาตรฐานที่บ้างนะในเรื่องของมาตรฐานที่นะเราก็พอเข้าใจเนาะเราก็ใช้กันอย่างธนูถนอมนะไม่ว่าห้องน้ําไม่ว่าอ่าเสนาสนะทุกอย่างให้เราใช้แบบอ่าธนูถนอมนะไม่ว่าจะเป็นเสื่อสะอาอัสนะโตเก้าอี้อะไรที่เราห้องน้ําห้องท่านะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เรา ใช้ก็ขอให้เรารักษาเรารักษาแล้วก็ช่วยกัน เ, เก็บช่วยกันดูแลเนะพราะว่าที่นี่พอออกจากงานนี้ไปแล้วก็เหลือแม่ชีอยู่คนเดียวนะแม่ชีเล็กนะก็บางทีก็ไม่ไหวเหมือนกันซักซักผาซักนอันนี้นะแต่ก็จะมีชาวบ้านเข้ามาช่วยหรอกช่วยมาเก็บช่วยเก็บงานจนแล้วนั่นแหลนะก็ไม่ได้ปล่อยทิ้งนะสําหรับวันนี้เนาะเราก็ ได้ฟังเนาะก็ขออนุโมทนานะกับญาติโนะยมญาติธรรมทุกท่านนะแล้วก็ครูบาอาจารยนะ์ที่ได้เข้ามาเป็นกำลังใจนะแล้วก็เข้ามาประพืชปฏิบัตินะ ก, ก็ขอให้ทุกท่านจงมีนะสติมีปัญญานะมีดวงตาเห็นธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด